ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธารชนทั้งหลายเนื่องจากอยู่ยังเนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงวิสาขาบูชาในวันที่หนึ่งนี้จะเป็นวันวิสาขาบูชาอัตมีมีการประรบวันถวายพระเพลิงระรูปศิริระของพระพุทธเจ้าใิวัดวรใิเวศวิหารก็มีพิธี ทำส ก, การะบูชาเช่นเดียวกับวิสาขบูรณเภีมีการไหวพระสูตรมนต์สมาทานศีลความธรรมเบียนเทียนให้ควาเทศกันตลอดคืนยังรุ่งเหมือนกันเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ใกล้ชิดกันคนคงจะเหน็ดเหนื่อยมาจากวิสาขบูรณาภี งานวรรณธมีจึงไม่ค่อยเด่นเขาก็ทำนองเดียวกับปันมาฆะวันมาฆะที่จริงเราก็ปรารบเหตุการณ์สองเหตุการณ์แต่ที่นำมาพูดกันก็พูดเพียงเหตุการณ์เดียวเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ต้นพุทธสมัยคือการแสดงอาวาตปฏิโมกเหตุการณ์ที่สองก็คือวันปรงประชนมยุธสงคา จริงๆก็ปรงประชนมายุสังขารเพนเดินสามหมืนกันก็ต่อมาก็เพนเดินหนกก่อน น, นิพพานแต่ว่าเรามักจะเอามาพูดในเรื่องเดียวอาการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหลังจากศาสารูแล้วก็ทรงบำเพ็ญพุทธกิจหลัก ก็สามประการด้วยกันประการแรกานเรียกว่าโลกัาริยาคือทรงประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกในแต่ละปีนั้นพระพุทธเจ้าจะประทับประจำที่ประมาณสามเดือนอย่างมากกว่าสี่เดือนในช่วงพรรษาพอพรรษาแล้ว อย่างช้าก็กลางเดินส2องก็จะเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆพร้อมโดยภิกษุสงฆ์มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่สถานที่ที่จะเสด็จไปในบ้านในเมืองที่ประชาชนยังไม่นับถือพระพุทธศาสนาหรื อ, อยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาก็ไปกันน้อยๆน่จะมีปัญหาเรื่อง ที่พักกับเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเมืองใดที่มีประชาชนนับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วนอกจากจะไปเป็นการเยี่ยมเยือนแล้วก็ยังเป็นการแสดงธรรมเพิ่มพูนสาสนิกชนให้มากยิ่งขึ้นการเสด็จไปในถานที่นั้นๆก็จะมีพระอยู่มาก คนทั้งหลายได้ทราบข่าวเกจิคุณการเสด็จมาในท้องถิ่นของตนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามนะยะของพุทธคุณแล้วก็จะมักฝ้ากันเป็นจุดๆพุทเจ้าก็จะแสดงธรรมะสั่งสอนคนเหล่านั้นรวนการประกาศตนเป็นพุทธบริษัท ทำตัวเป็นวาสก ป, ปสิกาหรือออกปวดะเป็นเรื่องของเขาพูะเจ้าก็ทำหน้ า, าที่แค่แสดงธรรมะโดยมีหลักการในการสอนการแสดงธรรมะอยู่สามประการที่เดียวกันคือทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังรู้ยึกเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและโดยพื้นฐานอินทร์วัสนาบารมี ความรู้ของบุคคลเหล่านั้นจะต้องสามารถรู้สามารถเห็นทจ้ี้เราเคยได้ยินว่าคําสอนใบใบไม้กับมือเดียวหมายความว่าสิ่งที่ทรงรู้นั้นมากและสิ่งที่ทรงสอนนั้นน้อยเพราะเป็นการอนุวัตตามคล้อยตามเจดิตาทยาสใยของคนฟังคําสอนส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่อง ที่สอดคล้องก็พื้นฐานของคนในกรณีนั้นๆแต่บางครั้งอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าผู้ยากเหลือเกินเนี่ยนะฮะยากตระการทำความเข้าใจพระผู้ฟังเป็นคนระดับพระอระหรันต์เช่นทรงแสดงแก่พระสารีบุตรตอนเสด็จมาจากกราวบันดึงเป็นประสิทธิ์ที่ยากมาเข้าใจยาก เป็นปรมัตธรรมแต่ภาษารนบุตรท่านก็ชื่นชมแต่เราฟังแล้วก็มึนหัวพอสมควรคำสอนเหล่านี้ก็ยกแคย้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการอุเคราะห์ต่อชาวโลกพันโครงสร้างในการทำงานของพระองค์ในด้านนี้ก็คืออยู่บนพื้นฐานที่ เสด็จเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์คือคูุนแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อบันการ อ, อกรองต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะที่ทรงแสดงก็เป็นการแสดงประโยชน์ทางระดับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติธรรมะบูชาหนาเผยแผ่ไปในเวลาที่รวดเร็ว กินพื้นที่แคว้นต่างๆในสมัยนั้นที่เสด็จไปเองลำพังปรงเองก็เจ็ดแคว้นใหญ่ๆแต่คบว่าเจ็ดแคว้นนั้นไม่ได้หมายความมานับนั่น น, นนะนับเป็นคู่คู่เช่นอังคากัรมคตก็นับเป็นหนึ่งแคว้นกาเสียกโกศลก็นับเป็นหนึ่งแคว้นนอกนั้นี้เป็นงานที่ส่งภาษาวกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยพื้นฐานอย่างเดียวกัน จะทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามเราจะเห็นจริงแต่นั้นท่านสาธารหลารจะสังเกตว่าคำสอนนั้นมักจะเป็นเหตุไม่ค่อยพูดถึงเรื่องผลเพราะผลมันมันยังไม่เกิดอ่ะคนจะต้องสร้างเหตุเสียก่อนตำ น, นองคล้ายๆกับบอกแผนที่บอกเส้นเดินทางให้ แต่ในขณะเดียวกันก็บอกสถานที่ที่เป็นจุดหมายไว้เหมือนกันแต่จุดหมายนั้นจะเป็นจุดสรุปปุ๋มก็คือคือกันหมายความพอสัมผัสแล้วผลมันจะเหมือนกันแต่ว่าเหตุนั้นจะใช้โดยอุบายวิธีที่คล้อยตามพื้นฐานของคนไปค่าก็ถนนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกัน เขาเรียกว่าเป็นปริยายเทศนาคือนิยตต่างๆแต่ว่าการจะสัมผัสผลได้จริงๆก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องของนามธ ร, รรมที่ทำปฏิกิริยาจริงๆก็คือต่อจิตเราเป็นความสงมบเป็นความเยือกเย็นเป็นความโปร่งเบาสบายก็ปรากฏที่จิตเรา ที่ทรงแสดงว่ารรมปีติสุขังเสติบุคคลที่ปีติเ อ, อิบ่มอยู่ในธรรมนะจะอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้ในในลนและในโลกเกิดมีคำสอนที่อศัศจรรย์คือจำานวยประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่สถานะและยังมี ระดับของคนไว้เป็นจำนวนมากโดยพื้นฐานการปฏิบัติที่มีเกณฑ์มาตรฐานทางคุณธรรมมากน้อยเป็นเครื่องกำหนดเป็นกัลยาณปนภูตุชนเป็นอุบาสกเป็นสัตว์ุรุษเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นประยะบุคคลชั้นต่างๆโดยใสยคุณภาพของจิตที่ผ่านการประปฏิบัติและกิเลสสงบไปมากน้อยมันก็เรียกคนแตกต่างกันขึ้นไป อาการเหล่านั้นที่จิมก็บอกอะไระนะเช่นว่าโสดาบันแปลว่าพูดถึงกระแสพระนิพพานตา ก, กาตาคามีแปลว่าพูดที่จะมาเกิดโลกนี้อีกครั้งเดียวอนคาคามีแปลว่าผู้ไม่ต้องมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วพระอระหันต์แปลว่าหักกำแห่งตังสาตระจากได้แล้วคือไม่ต้องเกิดอีกเราก็แสดงถึงผลที่ประนีขึ้นไปโดยลำดับ ที่ท่านเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติได้อีกประการหนึ่งเ็าเรียกว่าเป็นยาตถาจริยาทรงทำประโยชน์แก่พระญาติทั้งหลายในฐานะที่ทรงเป็นราชโรสของสกุลศักยะและโกริยารดยเห็นว่าภารากิจที่ทรงทำต่อพระญาตินั้นค่อนข้างจะพิเศษหมายความว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยไม่ทำขนาดนั้น เช่นเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยถ้ากับคนอื่นพระเจ้าไม่พูดแต่ถ้าพระญาติพูดพระญาติทะเลาะกันก็เข้าไปเกี่ยวข้องพระญาติมีปัญหาในการประชุมสภาอะไรต่างๆก็เข้าไปเกี่ยวข้องภาษตที่เรานำมาจะรึกไว้ที่รัสภาของไทยที่เนี่ย ก็เป็นภาษิต ท, ที่สงแสดงแก่พระญาติปศักยะที่โคมาทุสันิคมสถานที่ใดไม่มีสัตว์ปุรุษสถานที่นั้นไม่ชื่อวสภาคนใดไม่พูดไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ชื่อวสัตว์ุรุษเนี่ยเป็นการแสดงแก่พระญาติแต่ถ้าชาวบ้านเนี่ยจะไม่พูดจะไม่พูดเรื่องการบ้านการเมืองอะไรจะไม่พูดเลย ถ้าจะพูดก็จะเล่าประวัติศาสตร์คือเล่าบุคคลศกพิ์ูนิทานให้ฟังแต่จะไม่สอนตรงๆปุถทสพิราชจะทําราชสังฆกกะจะกวาดวัดอะไรเนี่ยที่เรานํามาพูดกันที่จริงพระเจ้าเล่าเล่าถึงธรรมะปฏิบัติของพระเจ้าวิชิตราชซึ่งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในอนดีตว่าทรงประกอบด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวแล้วเนี่ยแต่จะไม่สอนตรง แต่ในขณะเดียวกันถ้าคนเหล่านั้นมอกกายถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์ก็ถือว่าเป็นคนในนะฮะเป็นคนในก็จะพูดกระรับสั่งเป็นทรงสอนพระเจ้าประ เ, นเรสนในกุศลให้วางพระองค์เป็นฐานในการบริหารชาติบันเมืองโดยยึดมั่นในกุศลกำบุไม่ได้พูดทศพิธราชธรรมนะับพูดเรื่องกุศลกรบดเป็นปริยายของธรรมะหมายความว่าถ้าเราปฏิบัติตามหลักกุศลกรบด โดยทศวิราชธรรมมันก็มาเองไงนะเป็นวัวหารในการเทศการสอนและบางครั้งเราดูคล้ายๆกับมีอภิสิทธิ์แต่จริงไม่ใช่นะฮะคือโดยพื้นฐานของพุทธศักระเนี่ยเป็นคนกระด้างมากแล้วก็ตายพระมานะนะฮะเกือบจะสิ้นราชวงศ์กับพระมานะตอนปลายพุทธสมัย ความถือตัวอวดดีดูหมิ่นคนอื่นไม่ยอมรับนักถือคนอื่นเนี่ยเมืาการที่พวกศากยะยอมรับนักถือใครเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฟังได้เลยตามปกติคนที่เข้ามาบวชเป็นนักบวชนอกาศาสนาในยุคหลังนะฮะไม่จะยุคตน้นต้นพอยุคต้นจริงๆก็บวชนักบวชมาเยอะนะพวกปันญวยวอขีวก็นักบวชพวกปบราณจารีณก็นักบวชพวกภาษาที่บตรก็นักบวช แตกฎเกณฑ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นทีหลังคือกําหนดว่าจะต้องมีการตรวจสอบความระพฤสก่อนสี่เดือนนะฮะก็เรียกติด ต, ต, ต, ติยพระปริวาสแต่สําหรับพระญาติที่เป็นนักบวชนอกาศาสนามาก่อนถ้ามาขอบวชก็ให้บวชเลยไม่ต้องไปอยู่ติติตยพะปริวาสคือเราจะเห็นว่ามานะแกมีอยู่สองมานะแกลดมาได้ในยอมได้นะฮะมานะในฐานะเป็นนักบวช มาหน้าในฐานะเป็นกษัตริย์สักยะแต่แกมายอมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเนี่ยขาถือว่าเชื่อใจได้ก็ไม่เลวไหลและการเสด็จไปสงเคราะห์ระญาติการเกี่ยวข้องกับประญาตินั้นคุ้นเคยเป็นวางเป็นแบบเป็นลูกนะฮะเป็นลูกเป็นลูกของราชกุลสักยะคือปฏิบัติแบบแบบลูกทั้งหลายเนี่ย อย่างพระเจ้าสุโธธนะทรงประชวนก็มาปฏิบัติแบบลูกดูแลพ่อพยาบาลเองนะฮะจนสอนไปด้วยพยาบาลไปด้วยหรือรักษากา ย, ร, กากายรักษาจิตไปด้วยจากพระเจ้าสุโธธนะที่เป็นพระโสดาบันพระเจ้าสอนจนก่อนจะสิ้นพระชนเนี่ยบรรลุผลเป็นพระหรันพระเจ้าสุโทธทนะนิพานนะฮะเป็นพระอรหันต์จะไม่ดั น, นบวชหรอกนิพานไปก่อน ก่อนจะที่วงคตเน่บรรลุเป็นพระหรันเพราะงั้นท่านท่านจึงถือว่านิพพานแล้วก็เป็นพระนะฮะถือว่าเป็นพระอันนี้ก็คือก็คืองานที่เรียกว่าสงเคราะห์ระญาติและแม้แต่วาระสุดท้ายของพระชนมชีพก็มาปกป้องประญาติอยู่ตั้งหลายครั้งก่อนที่กองทัพพระเจ้าวิทุรภะจะมาล้างราชวงศ์สกยะ ก็ไม่ใช่หมดหรอกนะฮะไม่ใช่หมดหรอกว่าก็ฆ่าไปตายเยอะเหมือนกันเลยจริยประการหนึ่งคือพุทธะจริยาจริยาที่ในฐานะเป็นพระพุทธจเจ้าพระเจ้าทรงวางพระองค์ครบหมดคือเป็นทั้งศาสดาผู้เอนดูเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นกัญยาณมิตรนะเป็นผู้ดูแลรักษาพยาบาลในครบหมดเลย ก็เป็นเป็นเป็นเป็นการอยู่ร่วมกันที่อบปุ่นการกับอุบาสกบาิกาก็ที่จริงก็ใกล้ชิดเน่นะฮะใกล้ชิดพบปะไปมาหาสู่ง่ายแล้วก็เสด็จไปเยี่ยมเยียนเจ็บ่ายไม่สบายก็เสด็จไปเยี่ยมมันเป็นภาพที่อบบุ่นแล้วก็ เพิ่มพูนสถาปสาธธาัสทะมากยิ่งขึน้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการในการบริหารแต่การบริหารนั้นเอาเฉพาะพวกกลุ่มในนะฮะแค่กลุ่มเซกลุลศาสตร์ทำให้ผู้ประสบปิะสบการณ์ไม่ไม่ไม่ดุฮะไม่ดุแต่พระนี่ดุเยอะเลยพระนี่ดุเยอะก็ประบปะิะการไม่แต่พระบางทีก็กระนาบ รับสั่งนะฮะดูกคนอานนท์เราจากกระนาบแล้วกระนาบปีเคยมีสาระก็อยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปคือไม่ไม่เป็นง้อไม่ไม่ไมปให้ความสำคัญแก่คนที่ไม่ได้เรื่องเขเรียกปัทุสรายบริษัทไม่ว่าบางคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นคนหนึ่งก็สร้างปัญหาเยอะแยะคนจะออกก็ออกไปเลยไม่ได้สนใจไม่ได้เสียดาย คำสอนย้ยายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนปลายพุทธสมัยมก็เรียกว่าปัจฉิมโพธิการปัจฉิมโพธิการก็ถือว่าปีสุดท้ายนะฮะปีสุดท้ายที่จะสัจฉรูด ท, ท, ท, ที่จะไปนิพพานปฐมโพธิการก็ถือว่าปีแรกเพราะในมันชฉิมโพธิการมันอยู่ตรงกลางเยอะเลยอยู่ตรงกลางเยอะอย่างการเทศวันวิสาขานี่มาโดนตรงนี้ทุกปีเลย เพื่อนกุเทศมาอย่างเหลือสององสุดท้ายเนี่ยมาก็ปล่อยให้เทศย่อเวลาสี่สิบสี่ปีเนี่ยเทศให้เราขึ้นไปเทศย่อตรงนั้นนี่ยนะย่อกันมั่วไปหมดเลยสี่สิบสี่ปีนะให้เวลาเพื่อนจักรทัวโมงไม่ค่อยถึงดีให้ย่อข้อความ 44, สาี่สิบสี่พันษาที่พระเจ้าทรงตอมันก็เอาไม่ทันนี่ยนะแล้วเขาวางไว้อย่างนั้นทุกปีบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพระมาเทศกันนี้บ้างก็เข้าก็าาาไม่เอา กำหนดรูปอื่นนอกจากสมเด็จสมเด็จท่า น, ท, านท่านเทศปากเปล่าแล้วมาก็ปากเปล่าคนเดียวนอกนั้นก็จะอ่านกันอ่านกันก็ลงตัวหมดลงตัวหมดเราก็ให้เวลาไว้เยอะเลย 44, 4, สี่สิบสี่ปีนะสี่สี่พันปาตั้งแต่ตั้งแต่โน้นมาตั้งแต่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารมาจนถึงนิพพานถวายพระเพลิงของพุทธรีระแจกพระาธาตุหายไปเลย ที่ปีให้ย่อเวลาหนึ่งชั่วโมงก็ที่จริงไม่ค่อยถึงไงนะก็ใช้ประมาณสัก40บนาทีสี่ห้านาทีก็เลือกย่อเอาก็ย่อตรงไหนก็ย่อย่อรัวๆเอาในปลายพุทธสมัยเป็นเหตุการณ์ที่เหมือกับบันทึกเดินทาง ถ้าจเจนว่าในพระสูตรประสูตรตหนึ่งที่เรียกว่ามหาเปรีนิพพานในสูตรมันเริ่มต้นจากภูเขาคิชกูดที่กรุงราชชึกและผ่านเมืองไผ่สาลีไปจำบรนสาที่เมืองไผ่สาลีไปออกเมืองปาวาและกุสินารานิพพานจบจนถึงแจกโ ร, รมสาริกธาตุเขาเรียกว่าเป็นปัจชิมโผจิการคาสอนในตอนนั้นจะสอนสรุป อาจจะเป็นเพราะเส้นทางที่เสด็จพุทธรำเนินอยู่ในกลุ่มของพุทธบริษัทล้วนๆนานๆจะมีคนซึ่งไม่รู้จักพระพุทธศาสนาหรือไม่นับถือพุทธศาสนามาก่อนเนข้ามาเกี่ยวข้องสักครั้งหนึ่งพวกสารานิยธรรมอปารณิยธรรมจะสอนในช่วงนี้เมากคือตอกย้ำเพราะว่าคนเราเริ่มขยายไปเยอะ เจ้าพุทธทั้งทั้งหมดนะพุทธบริษัทนี้เพิ่มปริมาณขึ้นเยอะแล้วก็อยู่ไกลกันมากแลติดต่อกันไม่ค่อยได้ด้วยบางทีคำสอนวินยัยบัญญัติไว้ครั้งหนึ่งยังไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมพวกนี้ก็ฟังไว้ชุดเดียวเท่านั้นเองแต่ตอนแก้ไขเพิ่มเติมท่านไม่รู้ก็ทำให้มีปัญหาในการติดต่อกันพระเจ้าก็มาเน้นเรื่องสามัคคีของหมู่คณะ ตอกย้ำเรื่อยๆนะธรรมะที่จะสร้างสามัคคีในหมู่คณะตอกย้ำไปเรืเลยแล้วก็แสดงมาถึงในรูปที่พยากรณ์คติคือหมายความคนที่ตายไปแล้วพระเจ้าเสด็จผ่านไปมีคนมากราบทูลถามนานและหลายปีไม่เสด็จผ่านวสุปสิกขาตายไปแยะคนนั่นก็ตายไปคนนี้ก็ตายไปญาติพี่น้องก็มองเฝ้ากราบทูลพระเจ้ารับสั่งถาม อ๋อตายไปแล้วอ่าเขก็ถามว่าตายแล้วไปไหนไปไหนพระเจ้า ก, ก็ต้องแสดงพอแสดงคนก็ให้โลสารภามาถามมัวไปหมดเลยในสูตรก็ทรงสอนเรว่าธรรมดาษะเป็นกระจกเป็นกระจกธรรมะที่สามารถบอกบอกชาติหน้าของตัวเองได้นะว่าตายไปแล้วจะไปไหนแต่การบอกที่แน่นอนนั้นจะต้องเป็นระยะบุคคลระดับโสดาบัน เพราะอะไรเพราะว่าสามัญชนนี่มันไม่แน่นะฮะแม้แต่ฌานพวกได้ฌานมือเสื่อมได้นะครับฌานบางทีก่อนจะดับจิตเอาเกิดโกรธอะไรขึ้นมาฌานเสื่อมไปแล้วก็ไม่ได้ตายในฌานคติมันก็ไม่แน่อรเรยพอนพนคติสามัญชนทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่ถึงอรูปฌานแล้วนะฮะยังไม่แน่นอนเสมอไปว่าท่านจะบังเกิดเป็นพรุมหรือเป็นอรูปพรุม เพราะอะไรพราะฌานที่เป็นเหตุมันเสื่อมได้พอเสื่อมมันก็คติเป็นไปตามขนาดจิตที่เกิดขึ้นก่อนดับของแต่ละคนนะฮะก็แล้วแต่ใครเพราะคนที่พยากรณ์ตัวเองได้ชัดเจนคือต้องเป็นประสดบดับปั่นอันนี้ลงตัวเลยคนลงตัวจึงมีอยู่พวกเดียวนะเพราะความเศราหมองความผ่องแพ้วของจิตจะเป็นตัวกำหนดที่มีความสงคัญ ไอ้ศาบใดที่เราขึ้นอยู่กับอำนาจจิตคติชีวิตมันก็ไม่แน่แล้วเมื่อเสด็จไปในประทับอยู่ที่ไผ่สาลีตอนนั้นก็เริ่มประชวนจริงพระเจ้าเริ่มเริ่มระชวนมาตั้งแต่ต้นๆ น, นะเรานึกดูว่าเป็นยุคสมัยที่อะไรมันก็ไม่เคยจะสมบูรณ์อะไร แม้จะมีหมอชีวกกับมารพัฒนดูแลอยู่แต่ว่างานเนี่ยมันมากยิ่งแก่ก็ยิ่งดังนะฮะคนยิ่งรู้จักคนยิ่งมาเฝ้าวันเวลาใดๆจะพักจะผ่อนมาแล้วก็กไม่เคยมีนายเคยพบในาพระวินัยว่าพระพุทธเจ้าเคยต้องท้องผูกนะฮะคือคือประทับตั่งอยู่เรื่อยคนมาเข้าเฝ้าหมุนเวียนกันอยู่เรื่อยๆนี่ยไม่ได้เสด็จลุกขึ้น หมอชีวกต้องวางยาระบายขนาดหนักต้องถ่ายทั้งสามสิบกว่าครั้งไงนะคือแสดงว่าทํางานหนักมากแล้วก็ผู้ชนมากแล้วก็เหนื่อยมาตลอดนะร่างกายไม่ใช่เป็นโลกุตระนะฮะเป็นโลกุตระเฉพาะประเทศไทยแต่นั่นเองร่างกายก็คือสังขารที่มีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีโรคมีภัยะอะไรตัวอะไก็มีกันไปมาระของมัน และคำสอนในตอนช่วงหลังจะมาสรุปในสองกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ก็คือเรื่องอริยสัจสสอนมากน ะ, ะสรุปที่อริยสัจสแล้วก็สารธรรมห้าสารธรรม5ก็คือแก่นนะคระสารก็คือแก่นหมายความเป็นการพูดถึงแก่นห้าระดับแก่นคือศีล แก่นคือสมาธิแก่นคือปัญญาแก่นคือวิมุตติการจิตหลุดพ้นจากกิเลสแล้วแก่นคือวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นว่าจิตเราได้หลุดพ้นแล้วว่าเราจะเห็นว่าศินสมาธิปัญญาจึงเป็นตัวหลักในภาคของการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติสมบูรณ์ตรงนี้และอย่างอื่นก็เกิดเองมันเหมือน ก, นกับการปลูกพืชนังกล่าว แล้วต่อมาก็ส่งปรงประชนมยุสังขารที่ปาวาลเจ ด, ดีเมืองไพรซลัลีอันนี้มันไปนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ตอนต้นพุทธสมัยคือปะยะมานที่ระชนพระพุทธเจ้ามาตลอดเนี่ยอกนั้นก็ตอนสามมดีพรห ม, มาอาราธนาใหแสดงธรรมเนี่ยจะรับเสร็จสัมมดีพรหมกลับมานก็เข้าไปกรับทูล น, นิพพานคนละเรื่องเลย พระเจ้ารับสั่งเป็นรูปของพระพุทธปฏิทัศน์ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่เพื่อทํางานสี่เรื่องให้เสร็จก่อนพระจ้นิพพานก็คือให้พุทธบริษัทได้ศึกษาในพระสัจธรรมไดปฏิบัติตามพระสัจธรรมได้เผยแผ่พระสัจธรรมแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปกปักรักษาพระศาสนาหมายความว่าพระศาสดาจะอยู่หรือไม่อยู่ในลูกศิษย์รักษาพระศาสนาได้ถึงวันนั้นพระเจ้าก็จะไปนิพพาน เกิดมาถึงจุดนั้นเราเจะพบว่าพระก็คงจะมีทางทางทางมัจจุมาณนะฮะมานคือความตายแล้วก็สังขันตมานมันคือเบญจะขันร่างกายของพระองค์ก็สุดสบมาตลอดในบรรษาที่ทรงประชวรประทับอยู่ประทับจํำรรษาที่ปาวาลเจนดีก็ต้อทรงประชวร แล้วก็อธิษฐานพระไทยจะปนิพพานจะไปนิพพานหลังจากนั้นอีกสามเดือนก็คือวันเพ็ญมาคะวันเพ็ญเดือนสานะครตั้งพระไทยว่าจะปนิพพานอีกสามเดือนในการกําหนดไว้ในช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ที่น่าศึกษาประการหนึ่งว่าเป็นพุทธวิธีนะครคือหลังจากพระเจ้าทรงตั้งพระไทยอย่างนั้นประกาศรู้กันในหมู่พุทธบริษัท ทำให้พระแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นห่วงมากเป็นห่วงเสดาจพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วก็ค้อมล้อมไปไหนก็ค้อมล้อมงันเฝ้าแหนอยู่นั้นไม่ยอมไปไหนเลยแต่กลุ่มหนึ่งก็คิดอีกแบบนึงคิดว่าเราบวชในสํานักพระพุทธเจ้าตอนนี้อีกไม่กี่วันพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วเราก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยผลนี้จะหลีกเล้นเข้าไปอยู่ในปา่ารีบเร่งบําเพ็ญเพียรขอให้ทันการ นิพพานของพระพุทธเจ้าหมายความสามารถจะรายงานผลสาเร็จจากการปฏิบัติของตนเมื่อขึ้นอยู่กับมุมมองนะฮะพี่เราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าแต่ละคนนั้นจะใช้ฐานตัวเองแล้วให้ความต้องกาแก่ตัวเองในการมอง่านที่ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอยู่ก็จะมีความรู้สึกปุนิจใจจืดโดยทอดทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ดูแลพระพุทธเจ้าจ า, จาจจะนิพพานแล้วเลยไปฟ้องนะฮะฟ้องพระพุทธเจ้า พระเจารับสั่งเรียกมาเรียกมาหลายรูปนะเรียกมาหลายตอนเราพบว่ามีอยู่หลายตอนรับสั่งสอบถามท่านอธิบายความคิดของท่านแล้พระเจ้าอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับพระที่ไม่ต้องมาดูแลพระองค์นี่คือหลักว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาปรนปลื้มบำรุงบำรเรอพระองค์และแต่ละคนนั้นได้ทําหน้าที่ของตัวเองด้วยความตั้งใจ ด้วยความไม่ประมาทด้วยความเพียรด้วยการมีสติในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองด้วยเจริญสมรรธรรมมันจะถึงถึงถึงกลายเป็นหลักแม้ประชวนนะฮะก็ไม่มีคนพยาบาลเราแต่เจ้าดูแล้วคล้ายๆไอ้ลูกศิษย์ใจจืดจางไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคนพยาบาลไม่ให้พยาบาลแล้วในสุขก็ทรงวางหลักที่เราคล่องกันนะฮะโรงพยาบาลสงฆเอามาขึ้น บุคคลใดปรารถนาจาะอัปถาความรุงเราก็ให้ บ, บำรุงพิสูจนค่ายแทนเร า, าต้งวางหลักเอาไว้ก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการแสดงถึงพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่ไม่คนไปยึดติดในตัวคนแม้แต่ตัวความรุเองและในขณะเดียวกันนะ่ะ คือถ้าถ้าถ้าถ้าจะถือว่าเป็นการอุปถักต์าำรุงพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดของการบำรุงคนก็แย่งเลยยุ่งกันหมดเลยพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวแต่กําหนดว่าใครต้องการอุปถักบํารุงพระองค์ก็ให้บํารุงพระสุ ข, ข่ห้แทนตื้อมายความเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพราะพระป่วยเยะไปใครต้องการจะนึกว่าเออจะบํระาบรุงพระพุทธเจ้าก็บํารุงพระป่วยก็เหมือนกับบํารุงพระพุทธเจ้า เรากลายเป็นตัวแทนนะเราใจเจ้าแต่ลักษณะอย่างนี้นะเช่นเ ช, น ช, นชนสมมติว่าก็ต้องการจะบูชาพระธรรมจะ่างนางไปหาประชาบดีท่านต้องการจะบูชาพร ะ, พร ะ, พระธรรมผู้เจ้าก็ให้บูชาพระอานุ์ซึ่งเป็นพระนักเผยแผ่นะพระอนุ์ก็เป็นพระนักเทศก็เป็นผู้สอนธรรมเพื่อจะให้คนนี่ไม่ไม่ไปติดในคนอนะ่ะให้ติดในธรรมทีนี้ ก็ไม่ใช่พระนนรูปเดียวก็ใครก็ตามที่ท่านที่ท่านเป็นเป็นนักสอนนักเผยแผ่องการในการบูชาประทำไปทำให้คนทุกยุคทุกสมัยแม้พระเจ้านิพานแล้วก็ยังทำได้อย่างยุคสมัยที่พระเจ้ายัางดำรงประชนันอยู่และคำสอนที่เน้นก็คือให้มองถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารเพระพระท่านท่าน ปุตุชนเยอะนะฮะคือพระพระสมัยพุทธกาลกบปุตุชนเยอะอย่าไปติดใจว่ามีพระอาหารเยอะนะปุตุชนเยอะอย่างนั้นนะ่ยตั้งก็เสีย อ, อกเสียใจเสียดายพระเจ้าจะใช้ยอยุบายวิธี่สอนในแนวเนี้ยในแน ว, นนแนวนปัญหาปัจจเวณขกะหนัเคยมองถึงสิ่งตั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่เที่ย ง, ง, งแท้แน่นอนอาจจะพลาดชนะดินทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งใหญ่ทั้งเล็กกลางเก่ากลางใหม่ในสุดมันก็แตกทําลายได้ ไม่ได้เจาะตรงมาอย่างใดอย่างหนึ่งจะแตกทำลายเพราะฉะั้นชีวิตคนสัตว์ทั้งหลายามันก็เหมือนกันแล้วก็เสด็จพุทธดำเนินมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อที่แปลกวันก่อนในพระประครูติวัดนาคปรกันขอให้บรรยายเหตุการณ์ตอนนี้นะใส่เทปนะฮะเราใส่อารมณ์สร้างจินตนาการแล้วมัน มันก็ตื้นตันนะนะฮะมันก็ตื้นตันมันเหมือนเราไปเห็นพระพุทธรูปปางปณิพานที่พุทธ ท, ที่กุสินารานะท่านท่านที่เคยไปกุสิณาราจะเห็นว่าพุทธรูปองค์นี้แปลกมากคือเราไปแล้วมันจะร้องไห้นะฮะมันมีความรู้สึกลึกๆอยู่ภายในใจมาไปสองครั้งมีความรู้สึกอย่างนะั้นแหะมันก็คล้ายๆกับเราทราบข่าวพระจารนิพพานแลนะก็รีบมาจะเฝ้า พระเจ้านิพพานไปพระกายังอุ่นอยู่นะเราเลยร้องไห้เลยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันแสดงให้เห็นถึงพระมหากุณาคุ ณ, คณพระบริขุตพระบริสุทธิคุณของพระองค์โดดเด่นมากยิ่งขึ้นไปจากเมืองปาวาถึงกุศินาราที่เสด็จเนี่ยระยะทางตั้งสิบกิโลแล้วคนแก่แปดสิบนะแล้วป่วยมาตั้งแต่น้อนตั้งแต่เดือนแปด เขาผ่านไว้เรื่อยนะฮะนับดูม า, ปมาแปะป่วยมาตั้งแต่เดือนเดือนแปดค่าพรรษาเนี่ยตลอดพรรษาก็ส่งไปชวนออกบรรษามาก็เสด็จพุทธธรเนินมาได ม, มามาถึงเดือนหกแล้วยังป่วยอยู่นะฮะยังยังอาการยังไม่เคยแข็งแรงไม่มีคนถามเลยมาอย่างนึกนึกเอ๊ะทำไมนะไอ้คนสมัยนั้นมันไม่ไม่ช่วยหาไมนไม่ไม่ไม่มีการหามเลยก็เดินกันไปนะก็เดินกันไปชา้า พังที่เบตเนี่ยเขามีหลักฐานระยะ14กิโลเนี่ยพระเจ้าพัก25ครั้งแต่ก็ เ, เราพัก3ครั้งไงนะเราพบหลักฐานเราพัก3ครั้งที่เบสเนี่ยเขาบอกบ เ, ขเขาบันทึกไว้เลยว่าพักตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายก็อ่อนเปรี้ย ม, มากแต่ไม่มีการหาม นะที่จริงพระหามก็ได้นะอุะบาสกหามก็ได้รู้สิทธิเยอะแยะไปแล้วก็อยู่แต่นั้นทั้งทัง้ทั้งปาวาทั้งกุศินาราก็รู้สิทธิเยอะมีกก็ยังนึกๆึไม่เคยออกก็ได้ทำไมไม่หามทำไมไม่หามทำไมปล่อยเสด็จพุทธดำเนินไปแล้วก็ไปประทับที่บ้านของนายจุนทะา บุตรนายช่างทองก็เสวยสุกรมัถวะเนีสุกรมัทวะทีระ่รสเฉียงนิจะปาจิบัลเนี่นะที่จริงก็คือเนื้อสุกรอ่อนหมายควาเนื้อลูกสุกรแต่เป็นอาหารที่ทําเสียมไว้สมับคนมากๆนะอาจจะเสียพุทธเจ้าเสวยไปแล้วก็ทําให้พระโรคเก่ากําเริบที่จริงพระโรคพระโรคที่ที่ ทิ้เกียก่ยร์กะลำไส้นะช่องท้องนะครับพระพุทธเจ้าท่า น, นเป็นมานานนะตั้งแต่บำเพ็ญทุกร ก, กิริยามา น, น, นล้วก็พระโรคเนี้ยก็มีอาการยังไงเด้ที่จริงแล้วก็เป็นพระโรคเดิมนะฮะเป็นโรคเดิม ท, ท, ท, ที่ที่ที่มีปัญหาภาษาที่บุตรเองก็มีปัญหาในช่องท้องแล้วพระเราปกติมันก็มีปัญหาตัวนั้นนะฮะปัญหาช่องท้องเพราะว่าปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยอาหารไม่ก็ปกติ ยิงพระเจ้าตอนมาเป็นทุกรกริยาแล้วไปใหญ่บางทีก็อดตั้งนานๆ น, น, นะฮนะทาให้มีปัญหาในช่องท้องก็ป่วยตั้งแต่ตรง น, นั้นอาการกำเริมแรงขึ้นนะฮะลงเพราะบางคนหนักเป็นพระโลหิตสดๆได้แต่ยังเดินนะยังเดินยังนึกว่าบ้านนายจุนท่าเองก็คนเยอะมันน่าจะจัดแคร่เตียงหามพระพุทธเจ้าไปแต่ไม่ได้ไม่ได้มีการหาม ก็ะ้าใจว่าไม่ยอมให้หักมีพระประสงค์จะพบคนระหว่างทางต้องการจะพูดต้องการจะเทศต้องการจะสอนไปเรื่อยๆและจนถึงสารวโนทยานของมันลักกษัตริย์ในสถานที่นั้นทรงวางหลักไว้เป็นนันมากตรงนี้คล้ายๆกับสรุปอ่ะสรุปทั้งหมดที่ที่ทรงสอนมาตลอดระยะเวลา เช่นเรื่องของการบูชาประรบการบูชาคนทราบข่าวพระเจ้าจะนิพพานก็แห่กันมาเต็มไปหมดนะบูชาดอกไม้เต็มเกลื่อนไปหมดเลยทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ก็ทรงประรบว่าการใช้วัตถุเป็นหลักเรียกว่ามิสบูชานะ่ะไม่สามารถจะทำโรงรักษ า, าศาสนาไว้ได้เพราะตัวาศาสนธรรมเนี่ยมันอยู่ที่การศึกษาการปฏิบัติและการรับผล ตัวศาสนาธรรมคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพราะความเป็นาศาสนาจริงๆที่จริงไม่ได้มีรูปแบบนะรูปแบบนั้นเป็นเปลือกนอกเป็นเครื่องประกอบเท่านั้นเองเราจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ในด้านความประพฤติในด้านคุณภาพทางจิตใจนะเปลี่ยนแปลงไปกิเลสลดลงนะความดีเพิ่มขึ้นจนถึงสมบูรณ์นั่นก็คือตัวาศาสนา เรียกว่ามีธรรมะคือมีคุณธรรมอยู่ภายในใจซึ่งจะเป็นจะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าอภิสบูชาจริงๆก็คือการปฏิบัติตามระดับหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่ให้เน้นไม่ใช่เน้นในตรงนั้นคือเน้นที่การปฏิบัติแล้วถ้าหากว่าเราตต่ขึ้นไประดับสูงไม่ได้ก็ไปขยายที่ฐาน คือหมายความว่าสงเคราะห์ให้วัตถุสิ่งของให้อภัยให้ธรรมะเราอยู่ตรงนี้ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเราเริ่มมาที่เราก่อนแล้วก็เผื่อแผ่ความดีงามเหล่านั้นไปที่คนอื่นเราทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชาว่าเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมในขณะเดียวกันอมิสบูชาก็คือการปฏิบัติตามระกาหนึ่งนะฮะแต่ว่าอย่าไปเน้นตรงนั้นให้มาก ซึ่งบางทีเราเราก็เห็นนะมันไม่เคยได้เรื่องอะไรเท่าไรแต่ก็พูดกันยากแะเวลานี้มันมีแฟชั่นอย่างหนึ่งไม่รู้จะพูดยังไงก็คงพูดไม่ได้แล้วคงปล่อยไปนะตักข้าวสารอาหารแห้งตักบาทรข้าวสารอาหารแห้งเป็นแฟชั่นเลยมันก่อนไปพบที่เชียงรายเขาตักข้าวสารอาหารแห้งกองเป็นภูเขาเลยที่ยิงพระรับไม่ได้นะ รับได้แต่ว่าฉันไม่ได้ถ้าขืนฉันด้านปราบบัตรแต่เวลานี้เราเราเราเราคงสู้กระแสตรงนี้ไม่ได้แต่ทำให้การทำบุญรักบาตรบางช่วงบางบางเวลาในเทศกาลทั้งหลายมันเหลือเฟือจะไม่จะทำยังไงเราแก้ไม่ได้แต่ทั้งทั้ ง, ท, งที่รู้นะฮะ ตักไปก็อย่างนั้นเองก็ไม่รู้จะไปเอาไปไหนแม้แต่เอาไปแจกตามบ้านราชวิชีตามคุกตามไรยตรยอะไรบ้าง ก, มก็มันก็เยอะนะก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีทั่วไปคือปีหนึ่งที่จริงก็ประมาณรักเจ็ดแปดครั้งที่มากจงเกินเหตุประการที่สองทรงพูดถึงเรื่องของการทรํารงรักษาพระชดศาสนา จะถือว่าเป็นภาระของพุทธบริษัทที่ต้องกลับมาตรงหลักเดิมนะหลักที่เป็นพุทธมริธานคือจะต้องมีการศึกษาจะต้องมีการปฏิบัติเมื่อศึกษาปฏิบัติแล้วก็ต้องรับผลรับผลก็ช่วยกันเผยแผ่าศาสนธรรมต่อไปแล้วก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับาศาสนธรรมแก่ผูศ้ศาัาก็ช่วยดูแลปกป้องรักษาไว การหนึ่งทรงพูดเรื่องของการปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระอันนี้พระอนุนท่านท่านอ้อนวอนนะท่านอนวอนอขอให้ขอให้ทรงแสดงขุนเจ้รับสั่งครั้งแร ก, กว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของชาวบ้านคือคือตรงตรงนี้แปลกนะตรงตรงนี้ที่ที่เ อ, อมันลากกับวัชีเนี่ย พวกมันลักขวัญฉีกนับถือพระพุทธเจ้าเอาเอาแรงมากภาคเลยคือก็มีกฎของเขาพระเจ้าเสด็จมาสองแพนนี้นะพวกกษัตริย์ทุกรูปเนี่ยต้องเสด็จออกไปต้อนรับแล้วทุกรูปจะต้องดูแลรับผิดนนะอชอบด้วยกันนะฮะต้องรับผิดชอบด้วยกันใครใครผิดพลาดแล้วจะมีโทษกันลงเลยเป็นกติกาก็ตั้งกันขึ้นเองนะฮะมันมันมาเป็นสภากษัตริย์ก็ตั้งกันขึ้นเอง เ่อการการเสด็จมาไปนิพพานที่แคว้นมัลละหรือแม้แต่แคว้นวัชีก็ตามนะฮะแคว้นมัลละหรือแคว้นวัชีก็ตามก็จะจะเหมือนกันแต่แคว้นวัชีเขาก็แข็งแกร่งพระเจ้าไม่ยอมเสด็จไปนิพพานเพราะว่ามันจะมีปัญหาหตอนจะแบ่งพระธานุเดี๋ยวแไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยยุ่งกันใหญ่เลยรบกันตายเลยก็มาอยู่ที่มันมัลละซึ่งเมืองมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะนั้นก็ ทรงวางพระไทที่ที่ชาวบ้านนะเกี่ยวพุทธศิระไม่ไม่ได้ให้พระสงค์เกี่ยวเกี่ยวข้องแล้วพระสงค์ก็ไม่เกี่ยวนะพระสงค์ก็ไม่ยุ่งแต่พระนร์ก็อ้อนวอนขอร้องให้ทรงแสดงวิธีปฏิบัติก็ทรงสอนให้ปฏิบัติแบบเดียวกับศิระของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งพระนรนก็ไปบอกพวกมละในตอนหังแล้วพูดถึงเรื่องของพระทาต การดวยบาติต่อพระทาตเออพูเจ้าก็รับสั่งในรูปของสากลไม่จะเจาะตรงพระองค์นะฮะแมาความว่าคนในโลกที่ควรแก่การสร้างสถูปเรียกว่าสู ป, ปาระหะบุคคลคือคนที่ควรสร้างสถูปไว้เนี่ยก็มีอยู่สี่กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพระอรหันตสมาคมสมุทธเจา้า พระบัจเจกพุทธเจ้าพระหันตสาวกพระเจ้าจักรพรรดิสามรูปแรกนั้นเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นที่เกิดของบุญเกิดศรัทธาประสาทเลื่อมใสแก่คนทั้งหลายเรียกว่าว่ายเพื่อได้บุญเนี่ยนะฮะพระเจ้าจักรพรรดินั้นไหวเพื่อสํานึกขุนคือการันญุกตเวชีเพราะว่าท่านมีชีวิตอยู่ท่านสร้างสิ่งดีงามเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนไว้มาก คนประกอบไปไหว้สักการะเคารพนับถือด้วยความสนมึกกตัญญูกตเวทีของท่านและต่อมาก็พูดถึงเรื่องระยะบุคคลคือท่านสุภัทธะท่านท่านสุภะปริภาชกก็เป็นนักบวชนอกระศานสนาทราบว่าพรเจ้าจะปริภานก็ขอเข้าเฝ้า ก็ยุ่งดีเหมือนกันนะนะพระนนไม่ยอมพระเจา้าทรงประชวนหนักมากนะ ก, ก็เถียงกันไปเถียงกันมาท่านจะเข้าเฝ้าไ้ได้ก็เสียงได้ยินไปถึงพระเจา้าก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าไปเรดูแล้วคล้ายๆจะกั้นมั่นนะฮะดูแล้วคล้ายๆจะกั้นมั่นไว้เพราะว่าก็ ตามตา ม, ตามที่บอกมีพระแท่นอยู่มีต้นรังอยู่ทางทางเหนือด้านใต้นะฮะพระเจ้าก็ประทับอยู่บนพระแท่นหลังไม้รังแทนนั้นก็คงจะสร้างไว้คล้ายๆกับแท่นดิสัทชรู้เพราะว่าแบบของอินเดียเนี่ยแบบนับถือต้นไม้นะฮะเราจะพบว่าต้นไม้อินเดียปัจจุบันก็มีคล้ายๆจเจเ้าเบ็ดอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ๆนี่เยอะเลย ต้นไมเหลานี้คงอยแท่นเหล่านี้คงคงเป็นแท่นธรรมชา ต, ติไม่ใช่แท่นธรรมชาติคือแท่นที่สร้างไว้โดยปกติไม่ใช่ไปสร้างขึ้นในที่นั้นสุภัตาปริภาชกราบทูลถึงธรรมป ฏ, ฏิบัติหลายเรื่องนะแต่ผู้เจ้าบอกว่าให้ถามโดยสรุปก็ในสุดก็ท่านถามถึงความเป็นพระยาบุคคลซึ่ง มีในศาสนาอื่นเนี่ยถามว่ามีหรือไม่พระเจ้าทรงแสดงในรูปเงื่อนไขว่าในธรรมินัยใดก็ตามที่มีอริมักในองแปดมีการศึกษามีการปฏิบัติชอบตามอริมักในองแปดในธรรมินัยนั้นก็มีก็มีพระยาบุคลุลแต่ว่าตลอดประชนอาชีพของโรงห้าอ็ดปีนะห้าเอ็ดปีคือนับตั้งแต่ตั้งแต่เสด็จดอกพนวด จนมาถึงนิพพานนะฮพระองก็ไม่เห็นธรรมินัยใดที่ประกอบด้วยพระยะบุคคลไม่ใช่ประกอบด้วยอริมรักเมืองแปประการอย่างศาสนาเชนสมัยนั้นก็มีอยู่สามัรรคนะก็มีอยู่สามมรรคเพรา ะ, ะนั้นก็เป็นการได้เจในชีว่าในธรรมินัยอื่นนอกจากพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีพระยะบุคคลแล้วก็ทรงแสดงโดยสรุปว่า ตราบใดที่การศึกษาการปฏิบัติชอบในริมกักไปองแวดองแวดประการยังมีอยู่เนี่ยตราบนั้นจะโลกเนี่ยจะไม่ว่างจากพระยาบุคคลมันก็มีอยู่รได้แต่การเป็นพระยาบุคคลก็คือเป็นที่ใจท่านนะนะท่านบอกพระยาบุคคลนั้นใจท่านเป็นโลกุตระแต่ว่าท่านเกี่ยวข้องกับโลกโดยกลาลมาวาจร คือพูดกับภาษาชาวบ้านทําก็ทําแบบชาวบ้าน ก, ก็ก็ไม่รู้ท่านนี่ะนะฮะไม่รู้ท่านว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นแม้ในสมัยพุทธกาลที่จริงท่านก็ไม่รู้กันนอกจากพระหันกับพระอระหันหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะบอกว่าใครเป็นหรือไม่เป็นแต่คนอื่นก็ไม่รู้เพราะเป็นสภาพทางจิตของท่านอย่าถามอะไรจะบุกคลดุไหมบางทีก็ดุนะพระพุทธเจ้าก็ดุดีก็ดุเพราะเป็นภาษาที่รู้กันภาษาอย่างเงี้ยดุ ถ้าไม่ใช้ภาษ า, างั้นคนฟังก็ไม่รู้เรื่องก็เรียกเป็นโลกาโนวัดคือว่าหมุนไปตามโลกคล้อยไปตามโลกแต่ไม่ยึดติดในเรื่องอ น, นั้นคือไม่ใช่พูดทำไปด้วยอำนาจของกิเลสและหลักการที่สำคัญก็คือการพระนนกราบทูลถามถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป สเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งก็คือหลักการปฏิบัติเรื่องที่สองก็คือเรื่องจุดยึดเนี่ยทางใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยพออพรรษาในพระจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเฝ้าในที่ประทับอย่างหนึ่งเฝ้าในจุดที่รู้ว่าพระเจ้าเสด็จผ่านอย่างนี้นแล้วท่านเหล่านี้ก็พบปะกันคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นการประสบการณ์กันมาก็สมาทานอาหารเรืดึงโดยการพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปแล้วมันไม่มีจุดยึดเหนี่ยว ไม่จุดพบกันว่าก็เหมือนสังคมไัยปัจจุบันนะคเป็นสังคมที่น่าหวงในโอกาสต่อไปเพราะเมื่อก่อนในเรามีเทศการที่ให้ลูกหลานมาพบปู่ย่าตายายเนี่ยตั้งหลายครั้งเดียวนี้มันจางไปหมดเลยจางหมดเลยแล้วจุดต่อไปเนี่ยไอ้ลูกเลียเ้ยงพี่เลี้ยงน้องลูกพี่ลูกน้องหลานพี่หลานน้องเนะี่ยอะไรเนี่ยมันจะไม่รู้จักกันจะเป็นสังคมเดี่ยวนะคเป็นสังคมคล้ายๆกับเป็น เรียนแบบครับคืออบปุ่นแบบเดิมนี่คงจะหายไปอ่ะเพราะพระศาสนาเองก็เหมือนกันพระพระพุทธเจ้ารับรับสั่งว่าให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยไปในสถานที่ประสูดจัดสรรู้นะแสดงบทปร ะ, ะเทศนาและกันิพานเรียกว่าสังเวชนิยสถานคือไปในสถานที่แล้วก็เกิดรำลึกถึงพระพุทธคุณเกิดสถาปสาทะเกิดปิติปราโมท แ, แม้จะตายไปก็จะบังเกิดในสุกติได้จากจุดนี้เองขยายออกมาเป็นพวกเจดีทั้งหลายในตอนหลังเพราะว่าสถานที่เรานั้ยมันก็มีสี่แห่งมันก็ติดดินทั้งนั้นเลยไปไหนไม่ได้แล้วก็ขยายออกไปจากพระธาตุพระบรมสารีิกธาตุก็เป็นพระธาตุบรรจุกระดูก ข, ของพระเจ้าเราเรียกว่าพระธาตุเจดี บรรจุเครื่องใช้พระเจ้าเรียกว่าบริโภคเจดีย์บรรจุธรรมะอักษรธรรมะเนี่ยเรียกว่าธรรมเจดีย์แล้วก็ต่อมาก็แนวพุทธรูปเขเรียกอุเทศิกเจดีย์พวกนี้ก็เลยมากกว่าเพื่อนเป็นสิ่งที่สร้างเจาะจงถวายอุทิศถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องของหลักปฏิบัติทรงวางพระธรรมระวินยัยไว้เป็นศาสดาแทน ก็ น, นี้ถ้าเรามองย้อนก่อนนั้นหน้านั้นไปสักปีนะฮะตั้ปีกว่ากว่าพระเจ้าเคยแสดงแก่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะในจารุมนสูตรว่าพระองค์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนั้นเป็นผู้ที่ควรแก่การบริหารคณะสงฆ์นอกจากนั้นไม่มีใคร ก็ดูรูปแบบคล้ายๆถ้าหากว่าพระสารีบุตรโมกขาราณะไม่นิพพานนะนะไม่นิพพ า, านจะก่อนท่านพระสารีบุตรน่าจะเป็นสังกปามโมก ค, คือเป็นประมุกสงแล้วก็สืบต่อกันก็คงจะออกแบบคล้ายๆกับศาสนาคริสมีศูนย์กลางนะประเทศลังกาเนี่ยก็เคยคิดตอนต้นเดชสังราศวัตมกุฎเสด็กลังกา ก็เกิดสรัทธาเริ่มใสยมากแล้วก็อยากให้สมเด็จสังราชพระนุกูณเนี่ยเป็นสังราษให้หลังกาด้วยก็ท่านท่านท่าก็ฟังแล้วก็เฉยๆนะฮะเพื่อจะให้จะให้มีเอกภาพเราจะเห็นว่าของของเราเนี่ยอย่างตอนสัปดาห์ส่งเสริมเรานิมนต์มาสามสามประเทศแต่พวกนี้ไม่ใช่สังราษมีสังราษฎรเฉพาะเมรองหนึ่งก็เรียกอนุนายเก เป็นรองสังกนายกคือลังกาเนี่ยก็ไม่มีสังกรามันไม่ได้ไม่ได้ปกครองด้วยพระมหากษัตริย์เรียกามาหานาเกก็มีเยอะมีหลายตำแหน่งมีหลายองค์ก็หลายนิกายนะครับเราเลยไม่ค่อยมีเอกภาพแต่ก็ดีอย่างหนึ่งฮนะคือใช้ธรรมินัเนี่ยมันมันเป็นสัจธรรม แต่คนเนี่มันแหว่งนะคนมันแหว่งก็แล้วแต่กิเลสหนาะกิเลสบางของคนถ้ามีประมุขสงฆ์ก็ยุ่งเหมือนกันถ้าถูกคนกิเลสหยาบๆเข้าในี่ยคงยุ่งเหมือนกันเพราะนั้นพระเจ้าจึงวางว่าทำมีนัยไว้เป็นศาสดาแทนอาจจะเป็นเพราะหลักอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเพราะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานิพพานไปก่อนหน้านั้นตั้งเท่าไรหกเดือนเนี่ย น, นะพระสารีบุตรนั้นนิพพานเพ็ินเดือนสิบสองพระโมคคัลลานิพพาน นิพพานสิ้นเดือน 12, อสิบสองก็ห่างกันสิบห้าวันและต่อจากนั้นมาอีกสามเดือนนะครับพระเจ้าก็ลงประชดมายุสังขารอีกหกเดือนก่อนนิพพานก็เป็นการสิ้นไปอย่างแรงนะฮะอย่างแรงแล้วตัวคนสําคัญสำคัญไปเยอะเลยตอนปลายพุทธสมัยเนี่ยเมื่อพระเจ้ารับสั่งตรงนี้แล้วก็สรุ ป, ปรวมคําสอนทั้งหมด ซึ่งเราถือเป็นปฏิ จ, จิมพุทโภพ์เป็นการรับสั่งครั้งสุดท้ายแล้วไม่พูดอีกละไม่ไม่รับสั่งอะไรอีกแล้วว่าอมันตยามีโวพิกเ ว, วยยะธมาสังคา ร, าประปมาเดนะสัมปาเดถะเป็นกษัตริย์การแสดงทุกข์กษัตริย์กับมรรกษัตริย์ที่เราพูดพระพุทธเจ้าทรงแสดงทุกข์กับความดับทุกข์คือมาสรุปตัวเนี้ทุกข์คือสังขารทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราก็ไปทำอะไรมันไม่ได้เราก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทดั้ารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราประมาดราัศมีป่ะเดตะหือตั้งหลายจงดํารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทหลัจากนั้นก็เข้าฌานแล้วก็นิพพานเป็นการนิพพานระหว่างฌาน เพรนั้นเราจึงพบคําแปลกๆในตรงนั้นว่าพระเจ้าอนุทันสายญาตทรงนอนโดยตั้งประทัยไม่ลุกขึ้น น, นะฮะหมายความว่านอนแล้วก็นิพานเลยก็มีครั้งเดียวนะฮะมีครั้งเดียวอนุทันสยญาติเตมีเฉพาะที่ประเทศที่ที่เป น, นิพานพระเจ้าก็ไปนิพานเป็นที่อัศจรรย์นะฮะเกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์แผ่นดินไหวแต่คงไม่ใช่บ้านเรือนพั ง, งนะฮะ แล้วก็บรรดาคนสำคัญสำคัญท้าส ม, มดีพรมท้าส ก, กะพระนรุตพระอนุนก็กล่าวภาษิตกล่าวที่ระลึกในที่ต่า ง, างๆแต่ว่าที่ถ่ายทอดกันมาถึงปัจจุบันก็มาใช้มากเป็นพิเศษในปัจจุบันก็คือคาถาของพระรองเท้าส ก, กะเทวราชหรือคาถาบังสกุลนะฮะอนิจจาวัตสังคารานะ วิปัสสนานะฮะสมาทันนี้วิปัสสนากรรมฐ า, านเลยอนิจจาวัจสังกลาภนบัญญธรรมอินโนปิชิตตวานิรุจจันติเตยสังวูปสโมสุขโขอนิจจาวตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนะบาบันญัธรรมินโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาปิชิตตาวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นคือทุกข์สัตว์เป็นสภาวะสัจจะของสังขารทั้งหลายมันเป็นก็มันอย่างนั้นเอง ดจเราทํำยังไงคือเตะสัมผูไปสมุท ร, ร, รสุโ ข, ขคือการสงบระงับในสัตว์สังขารทั้งหลายลดละบรรเทาความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราลงไปบ้างนะฮะอย่างน้อยก็ลงไปบ้างเบื่อไม่ทุกข์มากเกินไปเมื่อเจ้าประนิพานแล้วก็คงจะนิพานในตอนเย็นๆนะฮนะเราดูแล้วเนี่ยมันตอนเย็นๆพวกมันละกษัตริย์ทั้งหลายก็ประชุมกัน ก็ไม่นึกว่าจะนิพพานเร็วนะ่ะเขายังประชุมมาอยู่ในวังเลยพระนรนก็เข้าไปแจ้งหัวใจานิพพานเสร็จแล้วพวกนั้นก็ร้องหผมร้องไห้กันด้วยในญ่พวกนั้นพวกพวกผู้หญิงนี่ก็จะออกมาไว้ออกมาก่อนคือธรรมเนียมผู้หญิงเขาไม่ออกจากบ้านตอนกลางคืนตอนนั้นก็ต้องรีบมาถวายบังคมพุทธศ ร, รีร้องผมร้องไห้คริ้งเกลือการอุตลุดไปหมดแล้วเกิดเป็นปัญหาตามมาในตอนหลังที่เพื่อนก็ปรับรบาปพระนรนะินทร แล้วภาระทั้งหมดมันก็อยู่ที่พวกมันลักษัตริย์ก็ตั้งใจจะเผาวันนั้นว่าที่จริงอะ่ะตามธรรมเนียมและตั้งใจจะเผาวันนั้นแต่พอดีปรากฏว่าจุดไฟไม่ติดถามพระ อ, นอานนท์ถามพระนุรุทธวาทําจึงจุดไฟไม่ติดบอกว่าเทวดาไม่ต้องการให้เผาแต่ต้องการให้รอประมากัตปิก่อนเพราะนัะ้นก็ไปประดิษฐานที่มากุฏพันธ์ดเจดี ท่านั้งหลายที่เคยไปกุสินาราก็จะเห็นว่าเป็นเนินขนาดใหญ่แล้วก็อิดกองอิฐคล้ายคลกองอิดสะสมไปเยอะมันเป็นที่ประกอบบรมราชาพิเศกนะเป็นที่ใหญ่มากนะสุวแสดงว่าสําคัญที่สุดในกรุงกรุงกุสินาราแต่ท่านเอาไปถวายพระเพลิงบุตรศิลาผูเจ้าแสดงว่านับถือมากๆเลยนะเอที่สูงสุดของของบ้านของเมืองนะเหมือนก็เอาอะไรพระที่นั่งจั ก, กรีหมหาประชาร์มา เี๋ยวพระที่นั่งขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของกรุงของกรุงกุสิณราเนมาเป็นที่ถวายพระเพลงิงตัดงถึงพลังของความศรัทธานักถือที่พวกมันละมีต่อพระพุทธเจ้าเมื่อประมา ก, กัตร ะ, สะเสด็จมาถวายบังคมแต่นั้นเองไฟทิพย์ก็ลุกขึ้นใหม่พระพุทธเจราแล้วก็ปรากฏการอัศจรรย์ในจริงมันก็มีไปตั้งแต่ตอนนั้น ก็บอกผ้าอธิพันธ์อยู่นเนี่ยผ้าอธิพันธ์ระตรีราเนี่ยมันไม่เฉพาะแผ่นนอกกับแผ่นในแล้วก็ไม่เฉพาะส่วนเนื้อส่วนน้ำเหลืองส่วนอะไรต่ออะไร น, นะฮะพวกผมพวกอะไรมันจะเหลือหมดเลยจะเหลืออยู่ก็กลายเป็นพวกพระรมสาริการาตุนั้านต่างๆแล้วในการต่อมาก็จะมีการ ส่งคนมาขอพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองต่างๆหลายเมืองแปดเมืองนะฮะแต่มัรลากษัตย์ไม่ยอมให้ในตอนแรกก็คงอุบายวิธีนะฮะต้องการจะรอให้พร้อมนอะไรต้นน้องนั้นแต่ในสุดพวกเหล่านั้นจะรบเพื่อเตรียมรบกันแล้วแต่โทนพราหมณ์ก็มากราบพระนีพระนองคือเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ เวลาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันขาดการประนีประนอมมันจะมีคนกลางหรือไม่มีขึ้นมาถ้าไม่มีละยุ่งทุกทีเป็นปนัญหาที่ชาวพุทธน่าจะทบทวนเหมือนกันว่าทาไมมันความคิดมันแรงไดเกันพระรมสาริกธาตุเนี่ยคนฆ่ากันตายเยอะเลเกินแต่ทุกวันเนี่ยว่าไหลมาเลยนะเ็มาคนามาในวัดบางแห่งบอกพระาธาตุลงเกาะเต็มไป ห, หมดตามใ มาไงมือแต่สมัยพุทธกาลมหายากเลยเกินสมัยนะั้นมหายากถ้าเราดูประวัติมันไม่มีนะฮะพระธาตุอย่างนี้ว่าเนะี่ยตลอดระยะเวลาในตั้งแต่พระเจ้านิพพานจนถึงพระเจ้าอาโศกเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีคนเห็นดรวยภาสาลิกขะนะนะมันก็แปลกว่าสมัยปัจจุบันมันมามากเลยเกินตอนพระเจ้า อาชาติศัตรูเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่กรุงราชสุดคือพระหมหากรตปาอธิษฐานอัญเชิญพระษาที่ท่าเนี่กลับหมดมาประฏิสถานไว้ที่ภูเขาที่กรุงราชสุดคือแล้วก็มีพยนอะไรต์อะไรเนี่ยรักษาไว้แล้วตอนพระเจ้าทรกมาก็มาเอาจากนี้ไม่ไม่ใช่ไปรวบรวมจากแปดแปดประเทศนะฮะมามาเอาจากตรงนี้ แต่ตรงนี้ที่ที่น่าสัเกตก็คืออัญเชิญเสด็จเหมือนกันพระหมหาอตปาปาเนี่ยอัญเชิญเสด็จอัญเชิญเสด็จลอยมาแล้วก็มารวมกลุ่กันอยู่ที่กรุงรัชช์อยู่ในภูเขาพระเจ้าอาโศกก็พระอุปคุดก็นําพระเจ้าอาโศกไปเอามาแล้วก็นํามาแจกแบ่งไปในสถานที่ต่างๆก็กลายเป็นพระธาตุเจดีย์นะครับ ไอ้ส่วนจะ 84,000 หรือไม่เนี่ยมันคงคงคงไม่แน่นอนว่าจะลงตัวขนาดนั้นหรือไม่อาจจะมากหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแต่สรุปว่าก็แพร่หลายไปมากเวันถวายไหวพระเพลิงของพุทธศีะของพระเจ้าจึงอยู่ในวันแรม8ค่ำเดือน8เดือน6นะฮะเราก็ถือว่าเป็นการสูญเสียพระพุทธเจ้าทั้งส่วนของพระศีะไปจริงๆ มีการถวายพระเพลิงในวันนั้นเพราะงั้นในวันนี้จึงมีพิธีทําสักการบูชาแล้วก็เวียนเทียนนะฮะเราจะเห็นว่าเราจะเวียนเทียนว่าหลวจะเวียนเทียนเฉพาะวิสาขบูรามีกับวิสาขอาตมีมาค่ะไม่ได้เวียนนะมาค่ะไม่ได้เวียนมาค่ะเพียงแต่บูชาทำพิธีบูชาเฉยๆเพราะเป็นการเวียนธรรมทักษิณรู้แต่เจ้าตอนก่อนนิพพานนะตอนตอนนิพพานใหม่ๆ แล้วก็ตอนถวายพระเพลงิงเคยถือคล้ายๆกับเวียนพระพุทธสุรีระก่อนถวายพระเพลิงกับอตอนนี้ผ่านใหม่แต่ตอนนั้นเป็นการแสดงธรรมเลยไม่ได้เวียนเทียนอตอนอสานหะตอนมาฆะเป็นการแสดงธรรมเฉยๆจึงไม่มีการเวียนเทียนก็เป็นเป็นเป็นความชื่อถือเป็นจารีตอย่างหนึ่งนะแต่ว่าจะเวียนเทียนหรือไม่เวียนที่จริง ประเด็นสำคัญอยู่ที่ใจน้อมนึกถึงพระพุทธคุณแล้วก็พยายามให้มีพระพุทธคุณอยู่ภายในใจจึงจะชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าโดยการบูชาอย่างสูงสุดจริงๆสำหรับปันนี้เราขออุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาชนหลายโดยทัวกันทุกท่านเถอ